ท่านสาธารณพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเป็นนั้นว่าวันก่อนเมืองพาราณสีหรือว่าเมืองเชคุดรสมัยพระเวสสันดร น, นั่นเรียกว่าเมืองเชคุดรแต่ว่าสมัยที่องค์สมเด็จพปจินวรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเล่าเรื่องอะฟังสมัยนั่นเขาเรียกกันว่าเมืองพาราณสีเเป็นอันว่าเมืองพารานสีนี่เป็นเมืองที่บรรจุ ค, ความดีคือพระอริยเจ้าและพระโพธิสัตว์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทรงตรัสต่อไปวันนี้ไม่ย้อนหลังเรื่องร้องไห้ก็รู้กันแล้วว่าร้องไห้ ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท์เปหลายไม่ทราบรไปร้องไห้เป็นยังไงก็ลองหัดร้องดูบางก็ได้เป็นนั้นว่าพระเวสสัดนดรได้ทรงบําเป็นทายครั้งใหญ่อยู่จนพระอาทิตตกดินคือว่าพระอาทิตย์รับไปจกี้ยได้เสด็จกลับคืนเข้าสู่ประสาทเมื่อทรงปทับที่พระพรพอสมควรแล้ว ก็เสด็จไปยามบริษัทพระราชวิดาเพื่อทูลลาสำหรับพระนามัซีก็เสด็จตามไปด้วยตั้งใจว่าจะทูลลาตามเสด็จพระราชสวามีไปด้วย <c oughs> อันนี้ดูน้ําใจข้าวนามัซีและกันหาชาลีสําหรับพระเวชนดอนนั้นกราบทูลกับพระราชวิดาว่าข้าแต่พระราชวิดาที่เคารพรัก พระองค์นด้ทรงในประเทศข้าพระองค์พรุ่งนี้ข้าพระองค์จะขอทูลลาไปสู่เขาวงกฏในป่ายมะพันแลพยจ้าแล้วก็หันระพักไปทางพระมารดากราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์ต้องพัดพลาดจากพระนครไปชี่ น, นี้ก็จะขอบำเพ็ญบุญให้เต็มที่จึงอยาจะขอประทานอนุญาตบวชทิ้เลยพระยจ้า อ๋อ oh. <c oughs> ตอนนี้เป็นไรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสมัยเพราะว่าสมัยพระเวสสันดร น, นี่ท่านหนักไปนหนึ่งทานบารมีและการบวชนี่ก็ถือว่าเป็นเนคขมะบารมีเป็นร่ายการสร้างบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีทั้งหมดจะต้องมารวมตัวกันถ้า <c oughs> เรื่องนี้ถ้าสงสัยก็โปดหาเทพ ามีมาฟังกันก็แล้วกันเป็นอันว่าพระ น, นางโพศดีที่ได้ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยแม่อนุญาตขอให้การบวชของลูกจงส่งเด็จเถิดแล้วก็ จ, จริงได้ทรงหันมาพักไปไปถามพระ น, นาง ม, มาสีว่าสำหรับแม่มาสีและลูกครับจะโดยสเสด็จคำว่าโดยประวัติตามจะตามเสด็จหรือ อยู่กับลูกโลูกเถิดลูกรักอย่าไปตกระกรรมลําบากในป่าด้วยกันทําไมเนาะอันในป่านะั้นมันบานะั้นลูกนะ <c oughs> ป่าไม่เหมือนบ้านเจ้าเองก็เป็นลูกกษัตริย์ไม่เคยตกละกรรมลําบากมาในการก่อนถ้าพระเวสสันดรจะเสด็จ <c oughs> ก็ให้เสด็จไปองค์เดียวก่นแล้วกันเป็นอันว่าพระเวสสันดรนอี่ยได้แต่คิดว่าข้าแต่พระมารดา ข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์จะพาพระนางมัตสีไปด้วยถ้าเขาไม่พึงปรารถนาก็ขอจงอยู่ที่นี่เถิดฟังถ้อยคำของท่านนะไม่ไดัดแปลงละพระเจ้ากรุงสุนชัยก็ไม่ตรักกรสถวเรศนดรแต่กับตรัสถวนางมัตสีว่า <c oughs> จะถามว่าพระเจ้ากรุงสุนชัยโกรธพระเวศนดอนดี ตอนนี้เนื้อแท้จริงๆเนะพระเจ้าครุงสุนชัยไม่ได้โกรธการสั่งในประเทศเน่ยสั่งในประเทศเพราะคนเขามาร้องแต่ที่ไม่ยอมตัดกระเวือกเส้นดอนเราก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้นั่นเองเสียพระไทยมากเหมือนกันยิงได้แกล้งหันเบือนมาตัดกระพาะนางมะสีว่ามาสีลูกรักชีวิตในป่านั้นคงจะทนไม่ไหว เพราะว่าอย่าตามใจเขาเลยนะเพราะการอยู่ในป่ามานันลำบากลูกจงอยู่กับพ่อต่อไปเถิดก็แล้วกันในหันมันปลอบปรสพัายสาหรับปฏีนั่นจะทูนตอบสนองว่ากระหม่อมฉันจะเสวยความสุขอยู่ในพระราชวังได้อย่างไรกันในเมื่อพระราชสวามีต้องตกรกรรมลำบากอยู่ในป่า หม่อมฉันก็จะต้องขอพระเดชตามเสะเ็จเป็นด้วยพระเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าปัญญาที่ดีเมื่อสามีมีความสุขก็สุขด้วยถ้าสามีมีความทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันการที่จะปล่อยพระสามีไปทุกแต่พระองค์เดียวนั้นในยามเขเป็นทุกข์หม่อมฉันไม่เห็นด้วยพระเจ้าค่ะสําหรับพระเจ้ากรุงสนชัยยังจัดว่าเจ้าจะไปได้ยังไงละลูกรัก ป่าหิมพานนี้มันเต็มบริษัทร้ายแต้งแต่ยุงริ้นไรขึ้นไปจนทั้งถึงงูเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้ก็เสือแรดมีชา้างค่ำคืนก็มีแต่เสียงร้องของนกกาสุนัขป่าก็จะเห่าจะหอนหลังกมไปจะทำให้เจ้าตกใจหวาดผวาไม่หลับนอน เค่ว่านอนไม่หลับ <c oughs> นะไม่ใช่ไม่หลับนอนนอนไม่หลับจึงตุกตึก ต, ตรองดูซิก่อนท่นนะมัสีโูครักนี่เป็นถ้อยคําของท่านนะเพระน น, นว่าเรื่องนี้เห็นยัดไม่ต้องเสริมมากไม่ต้องดัดแปลงถ้อยคําเพราะท่อยคําถ้อย ค, อยคําท่าสละสิริจริงๆเสําหรับพรนามัสี่ได้กราศทูลว่ามอมฉันเองเนะี่ยไม่มีความหวั่นไหวอะไรเลย จะขอตามสเสด็จประเวชนดอนไปจนถึงที่สุดข้าแต่มหาราชความเป็นไหมนั้นเป็นของเผ็ดร้อนเหลือเกินพี่เจ้าค่ะมอมฉันทนไม่ไหวหรอกเพราะว่าไอ้การเป็นไหมมันเสียสักสีฉะนั้นพระเจ้ากรุงเชินชัยจึงได้ตัดว่าชีวิตในป่ายมาพายของเธอนี้จะมีแต่ความทุกข์ทรมาน ถ้าลูกทนไม่ได้ก็จะต้องสูญเสียชีวิตลงยันกระเพาะว่าลูกเป็นสตรีเป็นสุขุมารชาติเกิดในเด็กกุลที่บริบูรณ์ไม่ได้ความสุขจะไปทนชีวิตอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรกันโอ้โหความจริงพระเจ้ากรุงสนชัยนั้นไม่อยากให้ใครไปทั้งหมดตอนนี้ไปพระนางมีที่ได้กราบทูล กับพระเยกรงสนชัยว่าข้าแต่พระราชวิดาผู้กระเสริฐอันธรรมดาที่เกิดมาเป็นสตรีมีสามีแล้วก็ควรจะร่วมสุขร่วมทุกันไปให้ตลอดพัญญาที่เคยร่วมแต่ความสุขขันพอสามีที่รับความทุกข์กรหลิกนี้ไม่นำผ่าก็มีข้าไม่ต่างกับนางบำเร อ, อฟังให้ดีนะ ก็หม่อมฉันขอตัดสินใจไปตายอดาดับหน้าร่วมกับพระสาวหมามีพระเจ้าค่าดีกว่าที่ต้องมาเป็นไมมชายร้างอยู่ในรู้ในวังการเป็นไห่ชายร้างนั้นจะมีแต่ความทุกข์มีแต่คนเขาจินนินทาว่าร้ายให้ขายหน้าสิ่งเกียรติยศหมดราคาดูหน้าใครเขาก็ไม่ได้ พวกผู้ชายเจ้าชูก็จะพากันดูแคลนล่วงเกินให้เจ็บใจอย่างนี้มัดซีเป็นไปไม่ได้ดอกไปเจ้าคะหมายความถ้าเป็นอย่างนี้นะหม่อมฉันมัดสีทนไม่ไหวเพราะว่าจะยอมเป็นไมมโผรา่างในมันไม่แน่มันไม่ดีแตงกลาโดยว่าอันธมัดาว่าห่วงนาทีคือห้วงน้ำที่มีน้ำก็เปล่าดาย ที่ไม่มีน้ำนะคือหมายความแม่น้ำถ้าปราศจากน้ำก็ไม่มีความหมายว่นแควนที่ไรพระราชาก็หาความสง่างามไม่ได้หญิงไม่ไรไงไร้สลางสง่าราศีมีแต่จะต้องก้มหน้าธงชัยเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถอ่าขั้นบังี่นะท่านบอกว่าไอ้ทงชัยเนี่ย มันเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถหมายว่ารถขุพระราชาจะไปไหนก็มีธงปักถือว่าเป็นดวงัยแล้วก็ควันเป็นเครื่องหมายแห่งไฟเอรท่านเปรียบเทียบไว้ดี <c oughs> พระราชาเป็นเครื่องหมายแห่งแหวนแหวสามีก็เป็นเครื่องหมายแห่งหญิงเช่นั้นเมื่อหม่อมฉันเยขอบวชติดตามพระราชสวามีไปขอพระองค์จะ จงได้ประทานพระบรมราชานุญาตแก่มมฉันมัสีเถิดพระเจ้าค่ะอตอนนี้น่าจะเราให้สนุกเป็นนั้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยไม่ได้ทรงสันดับจึงได้ทรงแต่ว่าท่าอย่างนั้นสําหรับมัสีลูกรักจะพึงไปกับพระราชดาสวมีสําหรับกันหากับชาลีลูกกันสองของเธอหนี้ยังเล็กนัก พ่อจะขอรับเอ า, เอามาเลี้ยงไว้เองจะไม่ให้มีความเด็ดร้อนสำหรับพนามาสีจะได้กราบทูลว่าลูกทั้งสองนี่แหละที่จะช่วยให้มอมฉันคลายจากความทุกโศกไปยาวค่ะแล้วก็จะรับความเรื่นงลมในป่าได้บ้างก็าอาศัยลูกสองคนเอเธอจะไปเธอก็ห่วงลูกด้วยพ่อผัวจะเอาลูกไว้เธอก็ไม่ให เลยนั่งเรื่องราวของท่านไปว่าเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัยจึงนิสัส ว, ว่าดูก่อนแม่มัดสีไม่ควรที่ลูกจะพาลูกทั้งสองไปให้ต้องระกำลำบากไปด้วยเด็กๆ เ, เคยเสวสวยข้าวสาลีจะเสวยผลไม้ได้ยังไงเคยเสวยได้ถาทองก็จะต้องเสวยใช้ใบไม้แทน เคยทรงผ้ า, ากาสีและผ้าขมผ้าขมผ้าพัดผ้าทั้งสองนี่ก็เป็นผ้าที่มีราคามากก็จะต้องทรงผ้าคากรองคือผ้าเนหยาบเคยเสด็จได้วร์หรือว่าราชรถได้วอก็คือคานหามใน ร, ราชรถก็จะต้องเดินเท้าเคยนอนบนพรมก็จะต้องนอนบนหญ้าเคยรูปไร้ได้กฤษณ์นาและก็จันทร์หอม ก็จะต้องมอมบดิฟุนละอองเคยพัดวีด้วยแซจามาจรีหานุกยุงก็ย่งต้องถูกเหลือบยุงรุม ก, กันกัดและก็เจ้าจะทำอย่างไงกันเมื่อไม่ควรที่เธอจะทำเช่นนั้นคือนำลูกไปด้วยนลมาสีลูกรัะเอ้าฟังคำโต้ตอบกันไปขณะที่พระราชมารดาและพระราชบิดา กับพระราชจอรถและพระสุนิสาขึ้นลูกสภพ้ายพี่ไร่ร่บลำพัน์กันอยู่อย่างนี้จนกระทัานราตรีสว่างโอ้คุ ย, ยันสว่างเลยฝ้าทิ่ขึ้นมันดาหมายก็ทรงนำรถเทียมได้มามาจอดเทียมไว้ที่หน้าประตูวงังระนางมัศีก็กราบทูลเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าแต่พระบิดาผู้ประเสริฐ อพระองค์อย่าทรงปฏิทินนาการให้เสียเวลาให้เสียประเไทยเลยพิจิตรค่ะกระหม่อมชั้นเล่าสอนจะไปอย่างไรเด็กๆ ก, ก็จะเป็นอย่างนั้นพิจิตรค่ะครั้งแรกก็กราบถวายบัณฑ์มลาพาพระราชโอรสและพระราชธิดาไปประทับคอยอยู่บน ร, รถก่อนพระเวสสันดร ส่วนเมพระเวสสันดรก็ยังคงกล่าวคำลาบรรดาประชาชนที่มาคอยเฝ้าพระองค์ทรงประทานโอวาทตามสมควรแล้วก็สเสด็จขึ้นมาทับราชรถทรงทอดพระเนตรดูนครศรีพีเป็นขั้นสุดท้ายและรถทรงก็เคลื่อนออกต่อไปตอนนี้ตอนนี้จะว่ากันไปดีหรือไม่ดีเอามาพักกันสักนิดหนึ่งดีไหม พักย้อนลอยถอยหลังว่าคนที่ดีๆอย่างพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรนี่ทาความดีแสนดีแต่ทำไมจึงจะต้องมีโทษถ้าจะเลยไปแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะขาดได้ความตอนนี้ไปนิดหนึง่งว่าขอบันดาท่านพุทธบริษัทยาลืม ว่าการสเสวยพระชาติเป็นพระเวทสันดรหน่อบพ ร, รมพง์โพธิสัตว์เขาองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพโดยการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะั้นมีกิจอยู่สองอย่างที่มีความจะเป็นมากยากที่คนไม่ใช่พระบรมพง์โพธิสัตว์จะเพียงทําได้นั่นคือบริจาคลูกหมดละพัญญาเป็นฐาน คือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานไอเรื่องนี้มันทำกันได้ยากแต่ว่าชาตินี้มีความจําเป็นเพราะเป็นบารมีที่จะต้องเต็มถ้าเกิดชาติใหม่ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจา้า <c oughs> ถ้าพระโพธิสัตว์ท่านใดยังไม่มีโอกาสให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานท่านผู้นั้นก็จะไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าได้ เดวมัสามารถจะบรรลุวโคติยานฉะนั้นการไปคราวนี้นะ่ะเจนว่าบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับบรรดาประชาชนส่วนน้อยและก็ทําไมบรรดาประชาชนส่วนน้อยจึงมีกําลังสามารถจะขับไล่พระเวชนดรไปได้ตอนนี้ก็ต้องหวนไปดูเรื่องของเทวดา ความจริงบางท่านที่บอกว่าเทวดาไม่มีแต่แม้แต่ในเรื่องของเวสสันดรนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวพันกับเทวดาอย่างพระ น, นางโพสดีนี่ก็เคยเกิดเป็นนางฟ้ามาแล้วหรือว่าในโลกน้นมีแต่นางฟ้าไม่มีเทวดาแล้วต่อมาเมื่อพญา น, นางโพสดีจะลงมาเกิดในชาตินี้ก็มาจากเขตของเทวดา นั่นคือท่านเป็นพัญญาของพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยก็คือเทวดาเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองว่าเทวดามีจริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงเคยมีคนมาพูดบ่อยๆว่าบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มี <c oughs> ความจริงเทวดามีหรือไม่มีถ้าหากว่าท่านผู้นั้น จะอ่านนังสือในเขตศาสนาพระ อ, องค์สมเด็จพระชินสีจะเห็นว่าการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงเสวัตดีโสภาคสอนให้ปฏิบัติมันมีอยู่สี่แบบคือหนึ่งสุขาวิปสัสสโกผู้นี้ทําไปจงแท้มรุเป็นอรหันต์ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาทําไปประเภทหลับตาแล้วก็ผ้าดำผูกหน้า แต่ใช้จิตถูกต้องใช้ได้อีกสามันดับคือเตวิโชชะละพิญโยปิสัมพิทัปโตสำหรับเตวิโชนั้นมีดวงตาเป็นทิพย์หรือว่าเรียกว่ามีอารมณ์ใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นพรหมรู้ภาวะพนิพันธ์ เห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นอสุรกายได้เห็นของที่เล่นลับได้อย่างนี้เรีว่เทวีโชกผู้นี้รู้จักเทวดารู้จักพรู้จักนรกรู้จักเปรตรู้จักอสุรกายอีกท่านหนึ่งสําหรับชนะพิญโยท่านสามารถจะนํากายของท่านไปเมืองเทวดาก็ได้ ไปในเคของพรมก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวโมูเปก็ได้ไปเที่ยวโ ม, กกวมสุรกายก็ได้ <c oughs> ประเภทนี้ไปได้อีกประเภทหนึ่งปฏิสัมพิทัพปตะตมีความสามารถคลุมวิชาสามาัญญาหกแล้วก็มีการแตกฉานเป็นวิเศษคือมีความฉลาดเป็นพิเศษในความจริงศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมโลกเฉษตสอนไว้ทุกอย่าง แต่ว่าท่านพูทใ ด, ดมีความสงสัยในคำสอนประเภทนี้สมเด็จพระจินทร์ีสมบอกไปแล้วว่าอามิสบูชาน่ะเป็นของดีแต่ว่าแต่ทาคตเห็นว่ามีผลน้อยแต่ฐาคตสนเสริญปฏิบัติบูบชานีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสในวันที่นิพพาน <c oughs> ที่พระอนุนกราบทูลองค์สมเด็จพระวิธิตามานว่าเวลานี้เทวดากับนางฟ้าทั้งหลายคือชาวสวรรค์ได้โปรยปลายดอกดอกบาบมาบูชาองค์สมเด็จพระพักตวันในวันที่จะปรินิพานในเขตระหว่างนางรางังทั้งคู่บริเวณนั้นทั้งหมดเต็มไปด้วยดอกชาบพระหรือคนจะเดินไปเดินมาต้องลุยดอกชบาบไปแค่ขา่า เัานั้นองค์สมเด็จพระสมรัสมสมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงจัดว่าอานันทาดูก่อนอนนนอาวิสบูชาการบูชาได้สิ่งของเป็นของดีมีผลเนื่องการมาวาจรสวรรค์แต่ว่าท้าทาตนี้นั้นต้องการจริงๆก็คือปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคำสอนด <c oughs> ันั้นหากวัวนดาญาโจมพทธบริษัทที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวร ถ้าสงสัยว่วาเทวดามีจริงหรือไม่มีพรหมมีจริงหรือไม่มีนรกมีจริงหรือไม่มีก็จงอย่าบูชาสมเด็จพระจินสีเพียงแต่เพียงแค่อ่านหนังสือมันไม่หมดสงสัยถ้าอ่านหนังสือศักตรัยก็ตามทีศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ยังไม่หมดจิกิเลสเรื่องฌานสมาบัติมันก็ไม่ปรากฏ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำข อ, ององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างน้อยก็ได้สองในวิชาสามคือทิ่ฐิคุยานนารลึกชาติได้เพียงเท่านี้ดับบรรดาญาโยพุทบริษัทธาหลายคำสงสัยว่าเทวดาไม่มีพรมไม่มีก็จะหมดไปเป็นอันว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกตอนนี้จะของดเรื่องของท่านไปก่อน <c oughs> จกขอย้อนไปทิ้งกฎหรือว่าเหตุที่ทำให้พระเวสสันดรต้องถูกในประเทศในคราวนี้เพราะว่าพระเวสสันดรเป็นคนดีในวันดาท่านหลายฟังแล้วก็จาไว้ด้วยนะพระเวสสันดรในตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสร้างโทษให้แก่ใครมีแต่ความเมตตาปรานีวิธีการทั้งปวงแต่ว่าพระเวสสันดรต้องถูกในประเทศแมืพูดั้งตอนนี้นะ ไอ้ยา จ, จะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวและสมเด็จพระบระมาราชินีนาถและพระเจา้าลูกเทอทั้งหลายตามพระองค์แต่ก็ทรงทําความดีแต่ว่าพระบาทสมเด็จพร่หรัวนี้ก็ถูกโจมตีด้วยเหตุนานาประการและก็มาจุดหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรว่าเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าผมฆ่าพี่ แต่ว่าเวลานี้เขาลือกันว่าผมฆ่าพ่อตาอาตมาก็สงสัยว่าเขาลือเปนยังไงว่าฆ่าพ่อตาท่านยศทรงตรัส ว, ว่าเขาหาว่าก็ผมเวลาพ่อตาเป็นไข้ไม่สบายผมก็เล่ากรอกปากเข้าไปแล้วก็พาพ่อตาวิ่งพ่อตาก็เลยตาย <c oughs> นี่เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คนอย่งหลายเขาก็ไม่ทํากัน เป็นนันว่าก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นพระมหาโมฟิสมีความรู้สึกยังไงแต่แล้บอกว่าเรื่อยๆอรับชินชะแล้วผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือว่าทำเพื่อประชาชนมีให้มีความสุขนี่เป็นนันว่าเรื่องนินทาประสาสาเป็นของธรรมดาพราเวสสันดรต้องถูกตกระกรรมลำบากถูกในประเทศทั้งๆที่พระองค์ทรงทงความดี แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวของเรานี้ก็ถูกเขาด่า ท, ทั้งที่พระองค์ทำความดีเหมือนกันดังนั้นมันดาทุกท่านที่ได้สดับหากว่าท่านดนแบบนั้นมัน่งก็ต้องตั้งใจนึกถึงท่านทั้งสองคือทั้งพระเวช ท, ท่านดรและพระบาทสมเด็จจ้าโหัวและเจ้การที่กล่าวว่าทรงทําทความดีขนาดไหนท่านก็ยังไม่พ้นปากของชาวบ้านที่กล่าวร้าย <c oughs> เป็นนั้นว่าสมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่านาทิโลกเก อ, อั น, นินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกตอนนี้ต้องพยายามยับยั้งช่างใจเวลาที่ถูกกล่าวหาและนินทาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทำใจให้สบายตอนนี้มาว่ากันไปว่าทำไมพระเวสสันดนจรจึงต้องถูกขับไล ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องราวของพระเวสสันดร น, นี้คือเรื่องของพระเจา้าต้องมีเทวดาเข้ามาสมอยเสมอทังกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องของเทวดาเรื่องการให้ช้างปัจยัย น, นาคไปเป็นทานไม่เป็นใช่ของแปลกถ้ายะว่ากาันไม่ใช่ของแปลกถ้ายังมีพระเวสสันดร อ, อยู่บรรดาประชาชนเขาก็ยังไม่โกรธ แต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเทวดาจะว่าไงเจะว่าเทวดาเสือกก็ยะอยากไปเป็นนว่าเทวดาโดนใจก็แล้วกันเพราะเทวดาต้องสนับสนุนในการบำเพ็ญปัตตะเพื่อพระโพธิญาณถ้าพระเวทสันดรไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกป่าใครจะมากล้าขอพระนามศี และใครยังมากล้าขอปกัญหาไปขอกับพระเจ้าบันดินดีไม่ดีก็ห้ามหมิ่นพระบ ร, บรมเดชานุภาพตายจากนั้นเทวดาจึงได้โดนใจให้พระเวสสันดรต้องบำเพ็ญกรณีพิเศษแล้วก็พิเศษจริงๆถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้จะ ไ, ไดจะไม่มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าบารมีจะเต็มไม่ได้จึงเข้าไปโดนใจบรรดาประชาชนน้นายให้เกิดความโกรธแค้น แล้วก็พากันมาไปชุมขับไล่พระเวชสนดรในประเทศออกไปป่าได <c oughs> ้ความจริงถ้าจะดนใจเดมัรดาประชาประช า, ะชาอย่างเดียวก็ไม่มีผลก็อย่างน้อยที่สุดบรรดาหมายาราชบริพานก็ดีทหารของท่านก็มีหรือพระเจ้ากรงสนชัยก็อาจจะวินิจฉัยได้ว่าชาตินี่เป็นสมบัติของโลกของเรานะ ถ้าลูกเราไม่เกิดช่างก็ไม่มีมาการให้ช่างไปมันเป็นสมบัติส่วนตัวจะไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าตอนหลังนี้เรรดาก็ย่องเข้ามาดลใจพระเจ้ากรงสนชัยให้เกิดอับปัญญากเกรงว่าบรรดาประชาชนจะก่อควนกกำเริบดีไม่ดีอาจจะล้มราชบรรลังแล้วก็ถือตามพระราชประเพณีมีว่าถ้ากษัตริย์มีความผิด ก็ต้องถูกในประเทศตามราชบัพเพณีนี่เป็นอันม่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ที่พระเวสสันดรทําความดีแต่ต้องถูกในประเทศเพราะเทวดาดนใจแต่ก็อย่าลืมนะว่าเทวดาไม่ได้ปล่อยพระเวสสันดรให้ลําบากมากนะักเป็นอันว่าเทวดาต้องการให้พระเวสสันดรใ น, นบำเพ็ญบารมีใหญ่คือให้บุตรเป็นทานให้ปัญญาเป็นทาน บารมีที่จะมาลุกพระโพธิญาณจึงจะมีความสมบูรณ์พูดมาพูดไปทะเลือทะไหลไปไปมามาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโดยทุนนา <c oughs> เป็นอนุว่าวันนี้ก็มองดูเวลาหมดสิแล้วถ้าจะไม่ได้อธิบายตอนท้ายวันเกก็เกรงว่าบรรดาท่านสาวกโกงสมเด็จพระปัณฑแก้วจะไม่เข้าใจ ก็จำต้องอธิบายไว้นิดหนึ่งเพร่อเรื่องความสงสัยแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้หมดเวลาวันหน้ายังมีอยู่ถ้าต่มาก็ต้องขอลาบรรดาสาวกข้อองสมเด็จพระบรมครูขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจกตุรพิทัก์ชัใช้ทั้งสี่ประการ มีอายุวันนัสุขาพละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็คอได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาโจงทกะการสวัสดี <c oughs>